ถ้าใคร่ตาหรืออะไรเน่ยในประเทศไทยนีถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเป็นเมืองขึ้นเขาเนี่ยไปขิ้คาเขาเนี่ยเนี่ยมันไม่ใา่ถ้าไม่ปฏิบัติตามอย่างเนี้จะไปว่าทหารไม่ดีใครอย่าไปว่าใครนะว่าตัวเองดีกว่าแล้วรูไ้ไหมกฎแห่งกรรมอ่ะไม่เป็นยังไงวัจจักหมุนไปสู่ความหายยะนาเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกเรามาแต่ความสมคบรอย่าลืมนะพร่าเข้าเลยนะยวนข้าปั๊บยึดห่วงเดียวดู สมองเดียวมันรู้มันรู้จุดอ่อนของคนไทยอนะ่ะเหมือนอย่างไปไข้บางอาจารย์นชนะไอพม่าถึงเจ็ดครั้งแต่แล้วพม่ารู้จุดของคนไทยปั๊บปังเดียวแต่ความสำคัญมันเผาไข้าบางอาจารย์ฆ่าตายหมดเลย อ, อย่าลืมนะว่าในจรนโหนเที่ยวเรื่องสามพันเรืองว่าเก่งฆ่าแม่ทัพพม่าตายไม่ใช่เนะี่ยไอหวงสารพันเรืองในจันโหนเที่ยวได่แต่ขี้เมาแล้วก็ยุทธวิธีดาบเ ป, เป็นเพลงดาบนะเป็นชาบาทท้ า, าที่ฆ่าพม่าตายคือแม่ทัพคือผู้หญิง ผู้หญิงเนี่ยนี่เทียนประวัติศาสตร์ผิดมายกย่องผู้หญิงเลยผู้หญิงเนี่ยหนุ่งตรงกุเนบนตะเบงมานแล้วไปล่อลวงพมา่าอย่าลืมนะผู้ชนะสิทธิมันแพ้ที่ไหนาอาจารย์เดชแพ้ที่ไหนนี่อาทิตย์นี้เนี่ยที่ข้าพมา่าตายแล้วก็ผู้หญิงรุ่นนั้นไปร้องเพลงแซนเซลแซวพม่าแซวไปจะม า, มาเผลอฟันคอเลย แล้วมามันก็ลองมาเพลนเพลนพ ม, ม่าเหตแต่ข้อแท้จริงเรียกว่าพ ม, ม่าเหเหตไปเหมาเลยก็เราแซวไปแซวมาวันคอแม่ทับตายรอนถึงอาจารย์หงสาดีเาจารย์หงสาดีก็บอกเอ๊ะทําไมเนี่ยพนาดให้แม่ทับในกองฝีมือยังเลอะต้องผ่าไปโดนตายโวนฆ่าตายช่วยเหรอ ท, ทําไมอาจารย์หนุ่กี้เรื่องสารพเรียมมันเก่งแค่ไ เอาช้างเอาควายมาเป็นช้างแล้วเมาเนี่ยแล้วมันจะไปข้าม้าได้หรือนีน่ลองคิดแกดูนะ่ิดดูอาชาวบ้านมามนเป็นเพรียงวุธิไหมขนาดแม่ทับในกองฝีมือในสงครามเนี่ยทําไมมาโดนฆ่าตายที่บ้านบังจังไม่ได้ไม่ใช่ในจานหนูเที่ยวเมาเนะี่ยอย่าลืมนะผู้หญิงนะใครเป็นหัวหน้าผู้หญิงต้องบอกเลยผู้หญิงเปล่งิงเลาผู้หญิงเปล่าโน่นอำเภอวิเศษเจ้าชาโนนเมียท่านกำ น, นันท่านขุน ไอพม่า่าผัวเขาตายในเมื่อ่าผัวเขาตายแล้วเขาก็รวมพลเลยูหญิงนะไม่เขียนประวัติศาเลยเนี่ยนะประวัาไม่ได้กล่าวถืกล่าวไม่ได้จีกล่าวไม่ได้เพราะไอพ่ามันเผาไปสองพันสามร้อยสิบมล้วะก็เล่าไปลำบากันมาก็เขียนปราวัติาสอยู่ที่ฝรั่งหมดมีภาษาฝรั่งอยู่ที่ฝรั่งหมดนัานจะบอกให้แล้วก็เล่าชั้นๆว่าคุยิงเล้ผัวเป็นกำนันเป็นขุน บรรดาศักดิ์เป็นขุนเป็นหลวงคำนั้นนี่นเป็นหลวงเป็นขุนเลยที่นี่แข็งใจขึ้นมาก็รวมพลเลยรวมผู้หญิงยังเรือเปรียมดาบแล้วผู้หญิงเป็นดาบไหมเนินสองไอ้พูกชายไปเดือวก็ตายเป็นเพลงดาบไหมไม่เป็นไม่เป็นก็ต้องสู้สู้อะไรก็รวมพลได้สี่ร้อยคนเดินทางไปเลยเมืองพรมเมืองอิน เมืองสิงอยู่ที่เมืองอําเภอจันเมืองสุพรรณบุรีบ้านช้างบรรทันบ้านพลานจะแหว่งหาบ้านโกมบางบ้านอําเภอวิเศษชายชาสุฒิพานกบจับรวมหมดก็มาอยู่บางจันทร์มาบางจันคุณหญิงร่างเป็นคนออกอยู่บ้านอยู่บานเอาพวกหญิงไม่หมดแม่ไม่แม่ร่างไม้หมดยอมเสียตัวเสียภายนอกฆ่าพ่อแม่ไม่หมดยอมถวายเป็นพระราชพิธีเจ้าโ์พระราชา นงถือดาบแล้วไปร้องรำทำเพลงร้องเพลงอีแซวจาไวแซวพมา่า <c oughs> เพลงอีแซวดนี่ใครว่าเป็นไหมไม่เพลงตองไหวนี่จะมาจะบอกอาจารย์เสรีทังทั้งทำให้เก็บเพลงแซวไว้กั <c oughs> แซวพมา่จาจึงเรียวกว่าเพลงอีแซวแซวไปแซวมาพมา่าก็ร้องรำพม่าเหพม่าเหแล้วก็ฟันคอมมาเห่เลย ถ้าแม่ทับตายนะมันต้องยกทับก <c oughs> ลับดาวโหงโสดีบอกข้าว่าเหตุใดทำไมนี่ฝีมือดีทําไมไปโดนฆ่าตายไอ้หลวงจันทร์พันเรื่องไอาจันทร์โอเคียบมันเก่งแค่ไหนเอาทรงไม้ทรงไม้ทาไปโดนฆ่าตายอีกฆ่าตายยันทาไมร้อนใจถึงโหงโสดีไอ้เจ้าหามอนไปรับอาสาไอ้มอนรามันไปรับภาษาบอกข้าไเจ้าอย่ช่วยขอให้ตังค์เขาไปเจ้าไปาแม่ทับบ้างโอเค เอาตั้งแล้วก็บอกจุดไอ้ไข่บางจานเลยบอกว่าไปยุ่ยแย่ให้ผู้หญิงมาแตกกันซะผู้หญิงนี่มันละเอียดอ่อนอเชื่อคนง่ายหูเบาเรายุ่ยผู้หญิงแตกกันหมดเลยพอแตกกันหมดปับ๊บเอาละยกกองทัพละทีเนี้ไอ้หลวงสารพันเรืองโดนค่าทหารหมดผู้หญิงทองผู้หญิงทรายโดนฆ่าหมดมันมแตกกันไามไหมแล้วผู้หญิงปล้องถึงกับความตายคือหัวหน้าผู้หญิงปล้องตายแล้วก็ ไอ้พวกผู้หญิงนั่นเนี่ยไม่รู้จะพุหห่งใครเนี่ยเลยที่เนี่ยเผาเผาเลยอาจารย์ทำโทษก็บอกลูกศิษมาสโคนที่สำเร็จฌานธรรมาบาัตรเรื่อนี้คือนี้เลยอ้าวผู้หญิงมาเนี่ยเอาน้าคาถานไปเอาคาถาไปของคาถาไว้จะไปแอบตามไอ้ตามละเมคาถาคล้ายแพร่มันจะได้ไม่เห็นติดอบางใครบางใครแล้วอาจารย์ทำโทษก็หายวับเขาฌานธรรมาบัตรไปหมูเขา้าใหญ่เรีย้ยวโด่งพยาไฟ นะไปอยู่ในถ้านี้อัตมาเนี่ยเป็นพิสูจนไปก็พันเอกชมจุขันธ์รัตนอนเป็นพันโทเป็นผู้พระปองพันดูถูกการงานขึ้นใหญ่ไปนั่งอยู่ในถาน้านี้จึงได้เห็นคาถานว่าอาจาจรทำบมญโทษมาเขียนไว้ในถ้ำอัตมาจึงโจทย์ไว้แล้วก็เราก็เขียนประวัติสาสตร์บอกว่าอาจารย์ทำบุญโทษพมา่าขาดตายตายที่ไหนผู้สเมเด็จชานธรรมบัต เ, เรียกว่าดองพญาไฟ ไปโมที่ดงพญายาไฟแล้วอยู่ในถ้านะแล้วเขียนว่าในถ้ำครบเลยเป็นท่าพระองคเลยแต่อย่างว่าพระเจ้าคุณธนบุรีก็มีอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เราต้องไม่ครอบครารบโดยพ้นทายธรรมาก็ไปนั่งในถ้านั้นเจ็ดวันไม่ต้องฉานข้าวไปเจดวันยังฉันข้าวอีกหนึ่งถามพันโทพันเอกชมทุกขันตะลันไดผู้ที่เรื่องอํานาจจิตและธรรมาจึงจดคาถามนี้มาเป็นภาษาขอเป็นคาถาของอาจารย์ธรรมโชต แล้วเขาขึ้นเข า, ยาเหยาดในนั้นแล้วก็เราเก็บประวัติศาสตร์โบพม่าตายค่าถ้าเสม้อเดชานั่นแหละท่านนี้ท่านบอกแล้วเนี่ยป <c oughs> ืนเนี่ยตายหมดนะดวงชะตาขาดนะแล้วท่านจะให้คาถานเนี่ยให้คาถาผู้หญิงไหมพอในจานหนูเคี่ยวลุงชาบันเลี้งตายของษ์ใจหายไปหมดแล้วผู้หญิงมันก็ไปหมอบไปละเมอเาม้าไม่เห็นเ <c oughs> ขาเรียกคาถาบังขดงัดก็ไม่ตายรอดมาได้แต่ท <c oughs> ี่เราแต่ทับ ตายบจารย์เพราคุณหญิงปล้องถึงกับความตายหัวหน้าตายต้องยกจองคุณหญิงมันเซไอหาในจาโนโอเที่ยวเด็ด ด, ดีจะกที่เมาถือขวานไม่ค่อเลือกแล้วควายขี่เป็นช้างไอพมา่ามันตรียมแย่ซะก็จะตายหะนี่เห็นไหมเนี่ยชัดไหมทำให้เขียนผิดว่าหลวงสารพระเลี้ยงแหมยกจองแล้วคุณหญิงปล่องเอาไปไหนขี่เป็นเมียทา่านขุนอยู่ที่อกำเภอวิเศ ษ, ษชาดเทีอดพมา่าคาผู้เขาตายนะ อายุ48ปีนี่รู้กันไม่จริงนะแล้วมีเนลยะท่านนี่นาไอ้ใครพม่ามามี่ยเป็นเพ็งกระบี้แล้วลมันเคยลบปล่ารอปืนขึ้นมายิงโป้องเดียอะก็ปะแปกไปอ่ะจะไปสู้เลยพมา่าพูดญิงเนี่ยนะฆ่าไอ้แม่ทับตายวิไม่ทับมาหมายกินเลี้ยงเลยพูดญิงก็ออกไปเลี้ยงออกไปเลี้ยงเลยนะ่ออกไป เ, เลีออเ้ยงนะแม่ทับพม่า ก, ก็ กินล้ากินล้าเลยก็ผู้หญิงไปร้องเพลงซแซวไปแซวไวพ้พม่าแซวไปแชวมาพม่าก็ลำพม่าเหผ่ามาเ ห, าหเดี๋ยวนี้เรียกว่าร้องเพลงพมา่าเหเข้าใจไหมต้องรู้จริงดพอเผลอหน่อยฟันคอเลยล้มฟันแม่ทับอย่างเดียวพอแม่ทับแต่ผมจะหาแล้วไอพวกนั้นก็ต้องยอมดิเข้าใจไหมผู้หญิงเนี่ยเป็นรอยๆมาเจอผู้ชายพอทับ สุดท้ายอาจารย์ทำโทษบอกว่าชาะตาขาดแล้วพอผู้หญิงกล้องตายแล้วตายตายแล้วก็ลูกน้องก็เสียคนสุดไอ้มอนไอ้มองไอ้ลามันมาไปบอกว่าจุดผ่อนของ ผ, ผู้หญิงเนี่ยที่ชนะ พ, พม่ามาได้เพราะผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเลยก็ไอพวกราแมนก็มายุ่งผู้หญิงแตกกันผู้หญิงแตกการหาว่าผัวปีชูก็เธอเธอเป็นปีชูก็คุณนนท์ นาข้านาข้าวแต่กันเลแต่แตกันเลยก็หมดความ้ำทีพม่าขาวเผาทันทีนี่เห็นไหมเนี่ยในจานหนูที่ก็ยกกองข้าไปตายหาแม่หมดเลยตายด้วยอำนาจโทรศาสตร์จึงดุร้ายมากเห็ไหมดุร้ายใครไปเอาไม้แดงได้ใครไปอีดได้ฮะอภัยเลยฮะอัยเลยนะเดี๋ยวนี้เหรอไม่ใช่มาก่อนในังกดเนี่ยในมาสุดท้ายในหลวงเสด็จาาพราวิภพกุศลอุทิศใหแกไข่าบางจัน แล้วก็โอชาลราชช่างวัด ต, ตัดดวงมิตรไอ้พวกดวงวิญญาณไปเกิดเหมือนต้องมาขาวไปสิชนะเข้าใจไหมต้องรู้จริงๆริงหน่อยสิอายโยโธสระดุร้ายไอ้ที่เราตายชนนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ถนนเนี่ยอย่างโง่มันก็ไปเกิดไปที่ไหนมันไปแล้วยแต่ไอ้ตายเนี่ยนี่กับได้แต่สงฆ์คนผู้เมียทะเลาะกันเรื่อยไปหาเมียไม่ชู้ไปเลยเพยีนก็วิ่งรถเข้าชนไอ้รถชุงเลยตายอยู่ตรงนั้นเลย ดูไล่หลอกเก่งเนี่ยนสารดวยนั่นโทรศัพท์ไปอาชุลกาลจำไหมบางคนรู้จริงทีน้นอ่ะรู้มาจริงนี่เทปโทนี่นําฝักบางคนนี่รู้มาจริงบางทีรถถูกรถนตายถูกยิงตายก็ถึงอยู่ตรงนั้นไม่จริงจนไหมเป็นหลัก <c oughs> ตั้งถึงปีแต่ถึงปีเนี่วังเด็กนะเด็กนะใครมีลูกหลานย้ายเชือกออกไปนะ บางทีเด็กไปเขาลม ไ, ไปเดินขบวนเขาเดินขบวนแล้วก็มารอ้องไห้เสียงแล้เขาประกาศทุกเถื่อมาแล้วเสือไปทำไมต่อมาไม่เข้าขางใครนี่เป็เหตุผลไม่จะเข้าขางทหารตำรวจใดใดสิขมาเสือไปทำไมครบคราดได้ผิดขบันดีได้ผลครบคนทั่วทำตัวอับนครบอบพอดีได้ผลดววันตาแล้วขอฝากญาติโยมไปเถอะอย่าไปว่าทหารตำรวจทำไมมีทหารตารวจเนี่ยเมืองไทยพิชิตคาครับนี่ธรรมะที่แม่สอนนี่เรารูกมาแน่ บอกเมืองไทยเกิดกุยุคเงี้ยมันจะโจมตีเลยยึดภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วคำเเมงจะอายุนี่มันจะครูเกลีเข้ามายึดกรุงเทพหาะนคะรวันเดียวเนะี่ยเสร็จคิดถึงทหารตอนมีสงครามนะเราไปด่าทหารด่าทําไมแล้วคนพอคนแม่ไม่เคยเป็นทหารเหรอนะ่ะด่าพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจ้าแผ่นดินเป็นจอมทัพนะเห็นไหมไหมใครเป็นแม่ทัพมาสมัยก่อนใครเป็นแม่ทัพด่าพระเจ้าแผ่นดิ น, นเงี้มันแล้วที่สุดคือกฎแห่งกรรมระวังนะลูกหลานใครฮะ อตัวแกั่ต้องแผ่กรรมฐ า, านมีไม่ต้องอะไรท่านคมก็เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมาร้องวีดมาวีดาแล้วต้องนั่งคืนยังลูกนแผ่เมตตาถ้าใครไปพวกเรามันก็ข่าวไอ้ไม่ใช่พวกเรามันก็ออกไปตายกุฏิหานี่ตายไอ้ตัววายังไงอย่าลืมเรียนสูงเลี้ยวลงที่หนาดิมันไม่ใช่หน้าที่นี่ขยันนอหน้าที่งานอาตมาไม่เห็นด้วยมีลูกจะให้ตายฮะหลานเนี่ยเชือกออกไป พอเสือไปพอแม่ไม่ดีเนยไม่ใช่เรื่องเอิเธอรูร้ดีกับคุยใหญ่ไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่รู้ดีมีเหตุผลนะจะมาไปไหนดา่าทหา ร, หารไไหด่าตำรวจไปด่าเขาทำไมเนะี่ยเขาทำอะไรให้อ่ะมาเรื่องของบ้านของเมืองเขาแล้วนี่ผู้รักษาพระนครเนี่ยนะถ้าเขาไม่รักษาไว้ทําไมเนะี่ยเห็นใจกฎหมายบางริงไม่เคารพกฎหมายก็เลยเนี่ยนี่พูดด้วยเหตุผลนะไม่จะพูดไปเข้าหางใครนะ ให้เครารพกฎหมายกันนะนี่กฎหมายไม่มีความหมายเลยนาข้าวมันจะไปเผาบ้านไทยก็เผาได้มาว้าเนี่ยตะมานี่จะจะร้องไห้ได้ยินเสียงอธิธธบดีกรมประชาธิปานได้กล่าวในเครื่องวิทยกุกระจายเสียงบอกหมดแล้วประวัติศาสตร์ของไทยสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสสงครามโลกครั้งที่สอ ง, ม, อ ง, สองมีระเบียบมีรูปถ่ายมีเขาดํามีประวัติหมดเอาได้หมดบัตรนี้หมดแล้วหมดแล้วไปขอที่ไหน เราทำลายประวัติศาสตรส์ของชาติไทยแล้วอย่างนี้ไม่กดผิดกฎหมายเราไปลุงขโยมวังไงลุงขงยมถูกไหมต่อไปไปเผาได้เลยเผ า, าวัดก็ได้เผาบ้านใครก็ได้ไม่ผิดกฎหมายเอางั้นเหรอนี่คนเราเดี๋ยวนี้มันพูดไม่มีเหตุผลเลยวางปมแห่งกรรมนะวัชจักหมุนไปสู่เวรสู่กรรมอาชญาห์ชิ้นใมากอาชญาห์ถ้าบาปสมัยเป็นหัวสงเสียประเทศไทยไม่ใช่เนาะไปเคารพในหลวงเลย ที่เราพูดลงไปรงามาจะอาตมาไม่ได้ข่ของใครนะข้าวด้วยเหตุผล น, นี่ทำลายชาติหรือเปล่าทำลายตัวเองหรือเปล่าอย่างรัฐบาลเนี่ยเขาจะไปแค่ไหนเนี่ยอย่างว่าเรจะพูดซะหน่อยว่านายกองมาจากการแจกนั่ง ก, ก็ทุกเขาจะแก้ให้แต่เขาต้องไปชุมกอนเจแก้ไขเรียบร้อยดูเรียบร้อยดี เ, ยยดเขาก็จะระกราบสวรรคคมลานี่ยังไม่ทันจะอะไร เ, เอาแหละเข้าใจไหมเนี่ยก็ให้เขาแก้กอนเจ เขายัางมาทางแก้เลยแล้วก็ไอ้พวกปู่ย่าตายายแม่ไปเข้าคังเด็กๆเฮ้เข้าไปแล้วก็ไปด่าทหารว่ามายิงลูกหลายก็ตายแล้วมายู่เฉยๆที่ยิงไหมนะ่ะเอาพูกนี้ดูเหตุผลเนะเดี๋ยวนี้กฎหมายบ้านเมืองไม่มีเนะี่ยมันต้องมีกฎหมายคับถ้าใครมาพูดเนี่ยจะมาบอกแล้วเหตุผลเนะนี่ยไปไปที่ไหนๆว่าทหารไม่ดีตำรวจก็ไม่ดีราชการก็ไม่ดีรัฐบาลไม่ดีเอ้ยแล้วตัวเองดีคนเดียวเน่ย ตัวเองดีคนเดียวระวังวัชจกนะักรไงหมุนไปสู่ความหายจริญนะกดแข็งตั้มนะก็ต้องเรื่องอะไรเนะี่ยเป็นเด็กมีหน้าที่เรียนหนังสือเรียนไปอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนี่เนะี่ยมันแต่ความเมเมื่อกีเนี่ยทําให้ประเทศชาตินป้นที่ขาต่อไปอไปคุณยุคต่อไปซื้อก็ไม่งานขายาก็ไม่คล่องไอ้ที่ดินเนี่ยที่หัวหินเนี่ยไอ้ไอ้ไอญี่ปุ่นมันมาซื้อไว้ห้านระ้อยล้านฝังนะฟังนะเนี่ยเรื่อยๆนไปมาห้ารอยล้านอย่าวางประจํามไว้สิบล้าน แล้วปะโยมก็เป็นคนนั้นก็ไปวางประจําตามแม่ไปปูกทั้งเปง็นธนาคารตามถเกิดไอเรื่องบ้าๆบอๆมากญี่ปุ่นคืนเลยญี่ปุ่นคืนเลยแล้วโยมเจ้งไหมเจ้งไหมเนี่ยเจ้งแล้วเจ๊งแล้วปลูกกินยาตายไปแล้วแล้วเอาไงมีเหตุผลนะขอฝากไว้แล้วพูดไม่มีเหตุผลอะไรคนนื่นมอความรู้สักเปล่ามันรู้มากมันไม่รู้จริงนะไอรู้จริงจริงหายากไอรู้มากขังง่า รู้จริงต้องทําได้สิรู้จําต้องท้องได้สิรู้แจงก็คิดก่อนที่ยคิดก็ไม่ได้หรอเนี่ยไปจะยิงไหนเสียเสียงจะด่าทหารด่ารถกระบะบอกเออไปด่าทำไมด่าเพราะเขาอยู่หัวด้วยเหรือแต่มาบอกจะไม่เจริญกได้พวกเรานี่ยจะเกิดกุริยุกต้องให้ยเมืองไทยพิคคาเขาตองพิคคาเขาให้คนมาให้ต่างประเทศมาขคกหัวยัาจะชอบไม่มีเหตุผลเนี่ระวังต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ ตมาบอกให้จดรรเบอร์20ปีเนี่ยไม่ต้องเมืองไทยพิจิตรเขาเป็นเมืองขึ้นครับแน่นอนจดไปแย่งกันไปมาเป็นซ้อซอนตกว่าจะมาช่วยบริหารงานประเทศชาติแย่งกันไปเป็นรัูลนิธิเนี่ยแย่งกันไปแล้วทีนี้นาข้าวเปลี่ยนนายกใหม่เปี่ยนไปร้านใหม่นะอ้อนมาส่งขึ้นมาปั๊บต้องเดิกนกระบวนอีกลายนาต่อไปเดินกระบวนการไร่ใหญลวงนี่สิอันนี้เหตุผลนี่มันจะไปโนหน้าไปยังไง ไอ้มือสองมือสามเข้ามาเนี่ยเผาเนี่ยไม่มีผิดนั่นบอกเผาก็น่าเชื่อประชาธิปไตยเผาบ้านใครก็ได้เนี่ยมันพูดนหนิงเก็บวันนัานแตมาผ่ารถไปเลยนะีไปซองนั้นดะูข้างน้นาตีนส่งโยคนตีนให้คนนุ่นอ่ะเราก็เผยกระจกรูแบบไม่พระมันก็โยพระก็โยไอ้สซนตีนพระเนี่ยไอ้พวกมาวิทยาลัยเนี่ยเลียนนะตามหน้าได้นะตามหน้าได้นะลูกใครด้วยเนี่ เด็กนี้มันเลวทุกหน้านีแหละมันจะอยู่ได้รอเนีมันต้องรับกรรมเองมันก็รับกรรมของมันเองใครจะไปทํากรรมใ ห, ห้จะมาแสดงความเข้าใจนี่ใช่ไหมเนี่ยตอนที่ทําลายไอยเอกสารประเิศชาติประวัติศาสตร์ชาติไทยหมดแนละ้วทํางานจะเอาที่ไหนล่ะนะนะแล้วเอกสารเนี่ยทการประหลัดสงครามโลกคั้งสองขาวดาติดเขียนก็ไว้หมดแล้วเนี่มันเผาหมด แล้วจะไปเอาไปยินยันที่ไห น, นหอ่ะกรมสรรพากมีเด้แล้วเขาก็ดีเนี่ยเขาบอกเผาน้อยไปเนี่ยวกันนี้พวกเชฟมาพูดกันเขาบอกโก้เป็นยังเผาน้อยไปจะเผาให้มากกว่า น, นี้มาพูดใันการชนิดตายแย่เราตายแย่ใช้ ไ, ไม่นอนแน่ๆนะเสียใจด้วยเนี่ยก็ อ, อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วรัฐบาลเขาแก้กันเองสอสนี่มันแทนประชาชนแล้วประชาชนก็ไปเดินขบวนเป็นสอสอีกแล้วหะ า, าข้าวพลายในหลวงไปก็ได้ง่าย ในกองผูกกองไปกองมานะเรากลัวลประเทศชาติเราไปไม่ลงก่อให้เขาแก้ก่อนที่เขาังไม่ได้แก่นี่นะโอ้ยังไม่ทันอะไรเล ย, ยไม่แก้เลยโบยวายแล้วคนน้นกไูไม่ดีคนนี้กไูไม่ดีไอตัวตีคนเดียวเดี๋ยวนี้ตัวเดียวคุณดีคนเดียวนี่ ต, ตามาบอกเลิกผูกกันสักทีได้ไหมแน่นอนที่ตานมาจะเอาไงเป็นหลักอยายตามานี่เป็นห่วงยายบอกว่าเราควรจะ ประหลมบอนเรื่องปฏิบัติธรรมวระวะ่ระภูชนเอ่ย ม, มามาในรถวิทยประกาศว่าวันที่ยี่ห้าให้ทุกวัดเจวัดจเจริญพระพุทธมนต์ทั่วอะไรมันจับมันที่ยี่ห้าวิอะไรอย่างไรงา น, นจัดยังไงเห็นบอกว่าให้จเจริญพระพุทธมนต์ทั่วทุกวัดในรลวงโบรสดฟังมันไม่โมเวงในรถมันได้ยินมาขณะ บอกว่าให้ทุกวัดได้เจริญพระพุทธมนตรและสวดชัย ม, มงคลคาถาให้บานเมืองอยู่เย็นเป็นสุขโดยทุน า, า, นาก า, ารในประกาศใช้ประกาศมาด้วยมาขู่มาด้วยมาุู่ประกาศเนี้ยแต่นี้ฟังมันไม่ถนัดในรถมันดังโดยเป็นสวนก็มั่งเลยมั่งฟังไม่ถนัดว่าแต่ถนัดว่าให้เจริญพุทธมนตรคือให้บานเมืองอยู่เย็นเป็นสุข แต่ไม่ทราบว่าวันที่อะไรทีกเจ็ดรูปที่เนี่ยบี้าอะไรเนี่ยสอวันดีพิธีกามเนี่ยมีไปเริญพุทธมนนั่นเรนี้งท่านมันจะไปไม่รอกทันก็เี้นจาว่าไม่ปฏิบัติธรรมถ้าคนปฏิบัติธรรมนะสวัสดีคุณชมนเวผลวันนั้นเขามีโมจมาไปช่องน้ำหดวงแต่ยินทำก้มอีกทั้งหละบดบวม ให้พูดสองข้อองค์อื่นมาอาจจะมาไปฟังเทศเท้วกับไปเลือไปสวนที่พานจะหมดไปเทวมคนหน่งอุมเนี่ยสัปดาห์แห่งการส่งเสริมพูดศาสนาข้อหนึ่งขอสองวันมหามงคลจำไม้เมรุพนางจ้าพราะบรมยาสินนาห้าร้อบหกสิบประจันพษาให้นำปฏิบัติธรรมเนี่ยเทวทัตุจรณธรรมมาต้องเอาบอกส่งเสริมภาษาานาส่งเสริมทุกอา บอกเรามาชุมนุมส่งเสริมเอาปฏิบัติธรรมจิตใจเยอะกวส่งเสริส่งเสริมตัวเองให้เป็น